เมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่ามีคนเอาหนังสือที่หลวงพ่อเขียนนะนะเอาไปลงยูทูบบ้างไปตัดตอนเป็นท่อนๆไปโฆษณาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าเป็นคําสอนหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อดูแล้วมันไม่ใช่ของหลวงปู่ดูลเปนของที่หลวงพ่อเขียนไว้ยิ่งพวกนักเผยแพร่ต้องมี จัญญะบันนิดนึงเอาของลูกศิษย์ไปเป็นของอาจารย์ไ ม, ไม่ไม่ได้เคารพครูบาอาจารย์สิ่งที่ลูกศิษย์เขียนมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ครูบาอาจารย์สอนอย่าไปบอกว่าที่ลูกศิษย์แต่งนี่คือที่ครูบาอาจารย์สอนมาทั้งหมดพูดไม่ได้ลูกศิษย์รู้ธรรมะตามชัน้นตามภูมิ ไม่ได้รู้เท่าอาจารย์เรื่องสือธรรมะที่บอกว่าของหลวงปู่ดูลของหลวงปู่ดูลนะเฉพาะที่เป็นของหลวงปู่ดูลจริงๆนะมีนิดเดียวคือที่อัดเทปเอาไว้ที่มีการอัดเทปไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะราะว่าท่านเทศแทบอะเรื่องเดียวเลย เวลาพูดยาวๆเนี้ยนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ประมวลขึ้นมาอย่างหลวงปู่ฝากไว้อุปชาหลวงพ่อท่านเป็นคนรวบรวมขึ้นมาประมวลขึ้นมาหนังสืออาตุโลไม่มีใดเทียมอะไรเงี้ยก็มีคนทำขึ้นมาเที่ยวไปถามลูกศิษย์หลวงปู่ว่าหลวงปู่สอนอะไรอะไรเงี้ยจดๆขึ้นมา ทรงจำไม่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่งต่อบ้างเพิ่มเติมบ้างนะมีไม่ใช่ว่าคนรวบรวมทานะหมายถึงคนที่บอกให้เขาจดนะทีมันก็คลาดเคลื่อนเงนนเวลาอ้างอิงมันต้องชัดเจนว่าอ้างอิงจากหนังสืออะไรมันจะมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือได้ถ้าเป็นเนี่ยอดเทพหลวงปู่มาในชัวร์ ถ้าน่าสือหลวงปู่ฝากไว้เนี่ยคนเรียบเรียงเนี่ยคนเดียวคือเจ้าคุณโภอาประชาหลวงพ่อเป็นหลานหลวงปู่รับใช้หลวงปู่มาสี่สิบปีใกล้ชิดคล้ายๆผ้าห น, นอนเงี้ยนะั้นจำได้แม่นนะ่ถ้าอตุลรไม่มีใดเทียมเนี่ยก็ของคนโน้นของคนนี้อะไรเนี่ยมารวมๆ ม, ม, มกัน บางคนหลวงปู่ก็สอนหลวงปู่สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างเบื้องต้นเลยท่านก็สอนให้พุโทโธบางคนบอกหลวงปู่สอนพุโทโธแล้วถ้าสรุปแค่นี้ก็กลายว่าทุกคนเรียนพุโทโธหมดซึ่งไม่ใช่หลวงปู่สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ บางคนท่านก็สอนให้ดูกระดูกบางคนก็ดูเส้นผมเส้นเดียวอย่างนี้ก็มีอย่างหลวงพ่อท่านสอนให้ดูจิตบางคนชอบไปแต่งปรัชญาตัวเองอะไม่รู้จักคําว่าปรัชญาปรัชญาคือคําว่าปัญญานี่ยเองนึกคิดว่ามันคือ การใช้คำพูดการใช้เหตุผลอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอะไรที่ตัวไม่เข้าใจเขาบอกว่าเป็นปรัชญาปรัชญาธรรมของหลวงปู่ดูลเมื่อก่อนนีน่ชอบพูดคํานี้หลวงพ่อไล่จีบไล่โขกอยู่หลายปีหลายเดือนนี้ไม่มีใครพูดแล้วปรัชญาของหลวงปู่ดูลตัวเองไม่รู้เรื่องเองหาว่าปรัชญาแล้วบันทีแต่งนะแต่งเติมภาษาพิลึกพิลึกดูแล้วแมมลึกซึ้งแล้ว ที่หลวงปู่สอนแล้วพูดประจําเนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์จริงๆจะจําได้เพราะหลวงปู่พูดอยู่ไม่เยอะหรอกอย่างมีประโยคนึงเรื่องของจิตผ้ารหันะท่านพูดว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเสักอย่างในเนี้ ลูกศิษลวงปดูพูดได้ทุกคน เ, เหมือนกันเป๊ะเลยแทบจะเวิร์บเวิร์ดเลยแล้วก็จิตทรงนอกคือสมุทัยอะไรเนี้ยอันเนี้ยทุกคนพูดได้เหมือนเหมือนกันแต่าจากนั้นเป็นเรื่องธรรมะที่หลวงปู่สอนเฉพาะตัวบางเรื่องนะไม่ได้ลงไว้มีนะไม่ได้ลงไว้ มีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นคือธรรมะที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อมาก็สอนหลวงพ่อพุทธนะเรื่องทำลายผู้รู้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะรวมไปลงหนังสือแล้วก็พอดีมีกระแสต่อต้านหลวงพ่อเขาเลยเอาออกไป อัตุโลไม่มีใดเทียมเลยขาดธรรมะที่สำคัญที่สุดในขั้นสุดท้ายไปนะไม่มีอันนี้มีไม่ไดไนะ้คำสอนทั้งหลายนะที่ครูบาอาจารย์สอนไว้เวลาเราเอาไปเผยแพร่ต่อต้องอ้างอิงนะว่าท่านเทศไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยมีเทปไว้ หรือหนังสือเล่มไหนชื่อเรื่องอะไรอะไรเงี้ยควรจะมีให้มเป็นวิชาการหน่อยไม่งั้นระยะยามจะมั่วไม่รู้ว่าคาสอนของใครเป็นใครคาสอนของลูกศิษย์ไปใส่ว่าอาจารย์สอนอะไรเงี้ยมันไม่ถูกแต่ว่าเวลาเราเรียนคาสอนของหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ใช่ฟังเฉพาะคาสอนของหลวงปู่ดูลมันมีคาสอนที่หลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์ เรารู้สึกทรงจาไว้มีกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่คำสารที่ท่านสอนตรงๆมีเทพอยู่สั้นนิดเดียวที่ยาวที่สุดก็คือเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะคล้ายๆพระไตรปิฎกบางคนบอกว่าจะเรียนพุทธว จ, จนะพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งหมดนะสาวกเป็นคนพูดขึ้นมา สาวก็มาเล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วก็รวมเป็นมวลหมู่ไวนนะ้พระไตยปิดกก็ไม่ใช่พุทธวจนะคำว่าพุทธวจนะทุกวันนี้เหลืออยู่ไหมไม่มีเพราะไม่มีใครอัดเทปไว้คําพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าไม่เหลือแล้วแต่คําพูดของพระสาวกที่ประมวลกันไว้เป็นพระเตยปิดกเนี้ยมีอยู่งั้นะไม่ใช่ว่าคําพูดของลูกศิษย์ใช้ไม่ได้นะ แต่ว่าต้องแยกแยะให้ออกธรรมะมีสูงมีต่ำถ้าเราแยกไม่ออกเพราะมั่วปฏิบัติผิดหลวงพ่อจะสรุปให้ฟังคําสอนหลวงปู่ดุลอยากฟังไหมเอาให้หมดเลยนะสั้นนิดเดียวบอกแล้วว่าสั้นคําสอนที่เป็นสมถกรรมฐานของหลวงปู่ดุลย่อลงมาแล้วเหลือคําเดียวเลยเหลือประโยคเดียว อย่าส่งจิตออกนอกนี่คาเดียวเองบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดอันนี้เป็นวิธีฝึกเวลาจิตมันคิดเนี่ยจิตจะออกนอกเวลาจิตไปดูจิตก็ออกนอกเวลาไปฟังจิตก็ออกนอกถ้าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นไม่ใช่สมาธิสงบนะ สมาธิที่จิตตั้งมั่นดูคําสอนของท่านในฟันโชฉเดียวเข้าที่จิตผู้รู้เลยจิตของเราท่านก็เข้าใจะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่ท่านก็บอกอีกจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเนี่ยไอคนที่ไม่เข้าใจแล้วบอกนี ee, ป่ปรัชญาไม่ใช่ปรัชญานี่ตรงๆเหตุผลตรงๆเลยจิตของเราออกข้างนอกทั้งวันใช่ไหม แต่เวลาเราปฏิบัติอย่าส่งออกไปถ้าจิตส่งออกไปให้รู้ทันจิตส่งออกไปให้รู้ทันแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลงเรารู้หลงเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วจะดูจิตต่อจะทำยังไงคำสอนมีประโยคเดียวจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปอ้อตกไปคำหนึ่งจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปมีคาว่าดังด้วย ่าหลวงปู่พูดไปอย่างนั้นจงทําอะไรทําญาณญาณคือปัญญานะมีปัญญาเห็นจิตไม่ใช่มีสติเห็นจิตนะเวลาขั้นเดินปัญญาเนี่ยมีปัญญาเห็นจิตปัญญาเห็นจิตมันจะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นจิตจงทําญาณเห็นจิตเนี่ยก็คือจงเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจการปฏิบัตินะ ไม่ถ่องแทนไม่เข้าใจทำยานเห็นจิตทำยังไงวะนี่แหละปรัชญาเนี่ยปัญญานี่ยต้องเขกบาลเลยปัญญาธรรมเสียหมดยานเป็นชื่อของปัญญาะญาณเห็นจิตมีปัญญาเห็นจิตจะเห็นอะไรเห็นใัวหลักแล้วเวทีเห็นจิตเนี่ยเห็นเหมือนที่ตาเห็นรูปเวลาตาเราเห็นรูปอย่างเนี้ยเราเห็นหมีคลานเข้ามาอย่างนี้ มีกาลังคลานตาเราเห็นรูปเราสั่งได้ไหมอยากคลางที่กาลังเห็นอย่างนี้จงเห็นเป็นอย่างอื่นเราสั่งตาไม่ได้เราสั่งรูปไม่ได้รูปเป็นยังไงตาก็เห็นอย่างนั้นแหละเวลาเราจะดูจิตก็เหมือนกันมียานเห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปตาเห็นรูปและยานคือมีปัญญาเห็นจิตอย่างที่จิตเป็น มีการเห็นอย่างที่จิตเป็นคำสอนของท่านมันคือหลักของวิปัสสนากรรมฐานดูจิตทำงานไปเห็นใจรักของจิตไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเหมือนตาเราเห็นรูปเราไม่ได้แทรกแซงรูปรูปเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุรูปก็ปรากฏถ้าไม่มีเหตุรูปก็ไม่ปรากฏเหตุอะไรที่ทำให้รูปปรากฏขึ้นมาแรกมีประสาทตาที่ดี ถ้าตาบอดเก็ไม่เห็นหมีประสาท ต, ตาที่ดีมีรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจมีมนาสิการมีความใส่ใจที่จะดูบางทีเราลืมตาอยู่แล้วคนเดินผ่านหน้าเราไม่เห็นเพราะใจเราหมดไปอยู่ที่อื่นต่เราไปคิดที่อื่นไม่มีมนาสิการที่จะดูรูปงั้นอย่างตาเห็นรูปเนี่ยมีเงื่อนไขหลายข้อมีปัจจัยหลายตัวทำให้มองเห็นขึ้นมาจิตจ เห็นจิตได้ไม่ต้องมีปัจจัยนะหลายตัวปล่อยมันทํางานแล้วก็อย่าใจลอยไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าใจลอยไปไม่มีมานสิการไม่สนใจจะดูมันก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามีโลภะไม่ใช่มานสิการมนัสิการไม่ใช่โลภะดิกรีไม่เหมือนกันโลภะนี่ยโลภอยากเห็นชัดๆอยากเห็นต่อเนื่องอยากเห็นตลอดเวลาอันนี้โลภะ ตาเห็นรูปสังเกตไหมตาเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่ได้เห็นตลอดเวลานะตาที่เห็นรูปเห็นเป็นแวบๆบแบบลองมองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารมองหน้าหลวงพ่อแล้วให้ชัดตลอดเวลาเลยนะมองให้ชัดตลอดเวลาทำได้ไหมสังเกตไ้ยมันชัดแว บ, บเดียวแล้วก็เบลอเราก็ตั้งมีมานัสสิการใหม่มองใหม่ก็ชัดขึ้นมาแล้วก็เบลอ เพราะจิตที่เกิดทางตาก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับเกิดดับเหมือนกันแล้วรู้จิตอย่างที่จิตเป็นจิตจะแสดงความเกิดดับให้ดูเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็แสดงความเป็นอนัตตาเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่ยทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจิตเป็นไงรูว้วเป็นอย่างนั้น อย่าใจลอยท่านะแล้วก็อย่าไปบังคับจิตไม่เอาสองอันใจลอยย่อหย่อนไปนี่บังคับจิตตึงเครียดไปไม่หย่อนไม่ตึงนัเป็นทางสายกลางแล้วหลวงปู่ก็สอนนะมีอยู่หลายข้อเหมือนกันแยกรูปถอดด้วยวิชามักจิตเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิด ปรัญญาไหม <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> เหตุต้องละผลต้องละใชนะ้หมายถึงอะไรละที่ไหนละที่ตัวเหตุไม่ใช่ละที่ตัวผลผลละใช้หมายถึงชดใช้มันไปแล้วมันก็จะค่อยค่อยหมดไปนะอย่างเรามีร่างกายเงี้ยร่างกายเราเป็นผลนะเป็นตัววิบาก เราก็ใช้มันไปเดี๋ยวเขมันก็หมดไปถึงวันหนึง่งเหตุที่ทำให้ได้ร่างกายนี้นะก็คือตัณหาพาเรามาเกิดตรงนี้ตัวเหตุให้ละตัวผลนะถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือภาษาพุทธเจ้าให้รู้ไม่ใช่ให้ละละที่ตัวเหตุไม่ใช่ละที่ตัวผลนะก็คือรู้ทุก์ตัวทุกนั่นแหละตัวผล ละสมุทไทยละตัวเหตุหลวงปู่ปดูลไม่ได้เรียนปริยัติท่านภาวนา ม, มาแล้วท่านบอกว่าต้องทาอย่างนี้ต้องละเหตุละเหตุส่วนผลไม่ต้องไปละมันผลน่ะยอมชดใช้มันไปเดี๋ยวมันหมดอายุไขมันหมดกําลังของเหตุนะผลมันก็ดับเองเหตุต้องละผลต้องละใช้หนี้ก็หมดพ้นเหตุเกิดไม่มีเหตุเกิดอะไรจะเหตุเกิด หัวโจกก็คือตัวอวิชชาจะทำลายอวิชชาทำยังไงพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือขั้นทำลายอวิชชานะเพราะอะไรอวิชชาซ่อนอยู่ที่ตัวผู้รู้อวิชชาไม่ได้ซ่อนอยู่ที่อื่นหลวงตา ม, มหาบัวท่านเรียกจิตผู้รู้ว่าจิตอวิชชานะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีๆนะั้นท่านลงมา ที่จิตนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราพอนานะเราเราคนที่ไม่มีตัวผู้รู้เนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้มีตัวผู้รู้แล้วทำวิปัสสนาได้เช่นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สุขทุก ข, เข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะมีใจเป็นคนรู้คือตัวผู้รู้เนี่ยแล้วมันจะเห็นในร่างกายก็ไม่ดีนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขทุกข์ก็อนิจจังทุกขังอนัตตา ความจําได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วก็วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่ผ่านยังเหลือจิตอยู่อีกดวงหนึง่งต้องเห็นด้วยว่าตัวจิตผู้รู้นะั้นก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นตัวผู้รู้เป็นอนิจจังนะั้นก็บราารูระารหันด้วยอนิมิตตาวิโมกถ้าเห็นตัวผู้รู้เป็นตัวทุกขังนะั้นก็เป็นอภัยนิหิตตาวิโมก ถ้าเห็นตัวผู้รู้เป็นอนัตตาเนี่ยสุญญะตามิโมกตอนที่หลุดพ้นมีสามช่องเรียกว่ารู้ทุกท้สามอย่างนี้คือการรู้ทุกคือรู้ความจริงของตัวผู้รู้นั่นเองที่จริงขันห้างคือตัวทุกแต่ว่าสติปัญญาที่เราสะสมนั้นมันเจอค่อยๆรู้ทันอย่างตรงที่เป็นพระนาคาเนี่ยนะรู้รูปจแจ่มแจ้งแล้วว่ารูปคือทุกจิตจะทิ้งรูปไป แล้วท่านอาคารู้อย่างหนึ่งวนะ่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ฟังเป็นปริญายอีกแล้วบางคนเลยไปแต่งต่อให้ยาวๆอะไรต่ออะไรกุงรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะว่าเป็นหน้าเลยไม่ใช่สไตล์หลวงปู่ดุลเนี่ยพูดอะไรยืดเยื้อหลวงปู่พูดคำสองคาฟันที่เดียวกลางกระบาลเลยไม่มีอ้อมค้อมเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายนะ เขาไปหาท่านสามสิบหกวันก่อนที่ท่านจะมรณภาพเข้าไปกราบท่า น, นบอกผมมารายงานการปฏิบัติเลก็ว่าไปนะท่านสอนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนค่ำนัหลวงปู่หอบเหนื่อยอายุ95้าสห้าเกือบ้าสิบหแล้วอีกส6สิหกวันนี่ครบ้าหหอบหอบหอบนะหลวงพ่อ บ, บอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีแล้วผมจะกราบลาแล้ว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 ในนับปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวพรอพุธอยู่คุราชบอกหลวงปู่สอนพ่อผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตชนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพระพุธท่านก็พูดะพระผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้ในท่านสําเนียงท่านจะเนองนี้นะพูดช้าๆถ้าพูดเร็วอย่างหลวงพ่อขาดใจตายไปนานแล้วเพราะท่านมีคนมาหาทั้งวันเลท่านต้องพูดช้าๆ พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เร็วไปนิดหนึ่งจึงู่ถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือสุดยอดของการมฐานท่านใช้คำนี้เลยนะนี่คือสุดยอดของการมฐานนันจะแตกหักกันก็ตรงนี้แหละแล้วท่านก็เล่าบอกว่าเมื่อเจ็ดวันก่อนก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปหาหลวงปู่ดุลยเจ็ดวันท่านเข้าไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูก็สอนท่าน บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธก็รีบบอกหลวงพ่อเลยว่าเนี่ยท่านสอนอันเดียวกันแต่ว่าคำว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายมันไม่ใช่เป็นระเบิดมันนะท่านบอกว่าถ้าเห็นไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของผู้รู้ก็จะทำลายมันได้ ท่านกลัวหลวงพ่อโง่เป็นร ะ, ะเบิดตัวผู้รู้นะถ้าไประเบิดมันละบ้าเลยตัวผู้รู้แตกเป็นบ้าท่านก็เลยสอนอกว่ามันต้องเป็นไตรลักษณ์นี่ท่านก็มีอุบายท่านเป็นพระอาวุโส น, น้อยกว่าหลวงปู่ดูลหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลดงนั้นท่านจะมาบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อเ น, นี่ยมันไม่งามนะไม่งามผู้น้อยจะไปเอาลูกศิษย์ของพระผู้ใหญ่มาสอน ไม่งามท่านก็พูดด้วยสัมนวนโมหานท่านบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่า ก, ก, ากาตามมากิกาคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันอันนี้ก็หมายความว่าถ้าท่านทำลายได้ท่านจะสอนเรานะเพราะปกติถ้าท่านจะสอนอะไรหลวงพ่อเนี่ยท่านจะต้องไปขออนุ ญ, ญาตหลวงปู่ดูลนก่อน หือหลวงพ่อต้องไปบอกหลวงพู ด, ดูลันว่าจะขอมาเดีงองค์นี้นะไอ้ประเภทนิสัยอย่างเราอะเรียนที่นี่เรากูวิ่งไปที่น่นเนี่ยไม่ใช่ในิสัยของนักปฏิบัตินะไม่มีมารยาทของนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ถือนะรุ่นก่อนๆนนะีเอาเรื่องเลยวิ่งร่อนๆเนี่ยท่านไม่เอาด้วยนะคนอย่างนี้เอาดีไม่ได้เพานันท่านถืออย่างอาจารย์พี่อย่างเป็นเนรนะสมัยตอนนี้เป็นมหาเถระอายุจะร้อยปีแล้ว ท่านเป็นเนรเปลนโรคศรีอาจารย์คงมาอาจารย์คงมาพาไปกราบหลวงปู่มัน่นในหลวงปู่มั่นชอบใจว่าเนรนี้นวดเก่งถูกใจนะใจะแค่ถูกชะตาใครนวดก็ไม่ถูกใจเท่าอาจารย์วิริยังท่านก็อยากได้อาจารย์วิริยังไว้หลวงปู่มั่นนะแล้วอาจารย์วิริยังก็ไม่รู้ธรรมเนียมนะที่จะตามท่านอย่างเดียว อยากตามหลวงปู่มันสวดท้ายหลวงปู่มันก็ถามบอกอาจารยครงมาอย่างถ้าจารยครงมาแม่อนุ ญ, ญาตมาไม่ได้หรอกท่านก็ไปบอกอาจารย์คงมาก็ให้อย่างเนี้ยไปได้หนะลวงพ่อพก็แบบเดียวกันนะนะท่านก็บอกหลวงพ่อว่าใครทําได้ก่อนให้มาบอกกันนะนะท่านก็รู้อยู่หลวงปู่จะสินะ้นแล้วเป็นอุบายสัมนวนของท่านนะสัมนวนผู้ดี หน้าอย่างเราเหรอจะไปบอกท่านจะทํำลายได้ก่อนท่านมันเพอเพอเจอจนกระทั่นะ ง, กงใกล้ที่ท่านจะมาเรานําภาพคือหลังจากวันนั้นหนะลวงพ่อแทบไม่เจอท่านเลยไปที่วัดก็ไม่เจอหาตัวไม่เจอท่านไปหลบญาติโยมะหนีโยมอะอยู่ไม่ไหวแล้วสุดโสมเต็มที่โยมมายุ่งทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อก็ไม่เจอท่านหลายปีนะ จนใกล้ที่ท่านจะมารณภาพท่านไปเทศที่ทีโอทีตอ น, นั้นหลวงพ่ออยู่ทีโอทีไปนั่งฝั่งท่านเทศพอท่านเทศจบเนี่ยคนอื่นก็กําลังสนใจเรื่องเอาสตังค์ใส่ขันอย่าติดกันเทศหลวงพ่อไม่สนนะแกะบริจาคไปชันลุยเข้าหาหลวงพ่อพุดเลยไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกนะ หลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะจากที่เหนื่อยๆนะยึดขึ้นมาเลยะห้าหาญเต็มที่เลยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําทลายเปลือกออกมาเองเนี่ยการทําลายผู้รู้จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่สำนวนโบราณ น, นิดนึงนะรู้จักลูกไก่ไหมลูกไก่อยู่ในไข่ พอลูกไก่โตเต็มที่ก็เจาะเปลือกออกมาเองใช่ไหมเราไม่ต้องไปเจาะให้ถ้าเราเจาะให้มันจะกลายเป็นไข่เจียว <laughs> <laughs> ไม่ไม่เป็นตัวไก่มันจะเจาะเองตัวผู้รู้นี่เหมือนกันนะถ้ามันเติบโตเต็มที่แล้วมันจะทำลายเปลือกสิ่งที่เป็นเปลือกของตัวผู้รู้คืออาสวะกิเลสเองอาสวะจะถูกทำลายออกไป ตัวที่ทำลายคืออริยมรรคนะที่ทำลายอาสวะตัวอริยมรรคทำลายนี้อริยมรรคเกิดได้ศีลสมาธิปัญญาครบโดยเฉพาะมีปัญญาเข้าใจความจริงของตัวผู้รู้ที่ลงพู่ดูลย์บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้ตัวนี้ตัวแตกหักทำลายผู้รู้ได้เนี่ยตัวจิตจะแตกสลายไปกลายเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ไม่มีขอบเขต ครูบาอาจารย์เรียกไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลเรียกธาตุตัวนี้ว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทานเรียกว่าจิตเดิมแท้สมเด็จ ญ, ญาณเรียกว่าวิญญาณาธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวเนี่ยแต่และองค์เรียกไม่เหมือนกันแต่เวลาฟังนักปฏิบัติฟังกันเนี่ยเข้าใจกัน ยากไปไหมยากไปทำยังไงดีทรงจำไว้ก่อนแล้วไปภาวนาแล้ววันหนึ่งก็เข้าใจทำไมหลวงพ่อต้องเล่าให้ฟังเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือเดี๋ยวคนลืมสักวันหนึ่งธรรมะที่ดีที่สุดนี่จะหายไปธรรมะที่สูงที่สุดของหลวงปู่ดุลจะหายไปพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ตอนรับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ปรับหน้าเสื อ, อตุโลเอาอันนี้ใส่เข้าไปด้วยเสร็จแล้วต้องถอนออกนะกระแสการเมืองมันแรงตัวนะั้นอาต่อไปเชิญกับบ้านดีไหมยอย่างน่ะส่งงินบ้านว่ามาให้พวกอยู่วัดกันรุษามาอยู่นรำมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อเอ่อ ที่ปฏิบัติอยู่พอจะเป็นแนวทางได้ไหมคะปฏิบัติอะไรเราพูดซะหน่อยสิ <c oughs> เขาถ่ายวีดีโอคนออดูเขาจะได้รู้เรื่องออจะมีเดินเดินอะคะ่ะแล้วก็ <c oughs> นั่งดูร่างกายอย่างเนี้ยแล้ ว, ลวคนมันก็เดินกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะ <c oughs> มันเป็นการปฏิบัติตรงไหนการเดิน <c oughs> เดินดูร่างกายคะ่ะมีใจเป็นคนดูไหมค่ะมีเออถ้าอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติถ้าบอกว่าเนี่ยปฏิบัติด้วยการเดิน หมาก็เดินไม่เห็นมันปฏิบัติเลยอยู่ที่มีสติไปรู้นะค่อย่างนั้นแหละใช้ได้สังเกตอีกอย่างหนึง่งจิตถึงฐานหรือเปล่าขณะ น, นี้คิดว่าจิตตั้งมั่นไหมไม่ค่อยค่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนตรงหน้าอกอยู่ที่หน้าอกก็ถือว่าออกนอกนะมันเคลื่อนไปอยู่ที่อกใช่ไหมมันถลําลงไป ตอนนี้มีคนสอนดูจิตนะให้จ้องอยู่ที่กลางอกเนะี่ยแล้วดูมันไหวๆแล้วก็ถลําลงไปตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะต้องเห็นเห็นความไหวนะเนี่ยสังขารมันทำงานจิตเป็นคนดูนะตัวนี้ไม่ใช่จิตนะจิตเป็นคนดูแยกกันอยู่เห็นมันไหวๆนย่านี้ถึงจะใช้ได้เ<อ>ห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะก็จะทาอย่างนั้นไปแต่ถ้าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ตัวนี้ไม่ว่าถลําไปรู้ ไม่ตั้งมั่นไม่ได้เป็นคนดูแลแต่กระจมลงไป ค, ค่อยๆฝึกจิตออกนอกก็รู้จิตมันไหลไปมันไม่ได้ไหลไปเที่ยวหรอกมันไหลไปอยู่กลางอกก็ไหลนะคแค่ค ร, ค ร, รู้รู้สึกไมมมันเคลื่อนไปอยู่ที่อกน่นะรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละแล้วมันจะไม่เคลื่อนอต่อไปอส่งไปมาเร็วที่คิดโอ้ใช้มาตรการเด็ดขาดส่งต่ อ, อ พวกเนี้ยไปเพ่งแข่งนะเนี่ยสี่คูณร้อยส่งปุ๊บปอาว่าไปส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะตอนนี้ภาวนาเสื่อมแล้วก็ถอยหลังมาแล้วก็เริ่มใหม่มันเสื่อมเป็นยังไงไม่ไม่เห็นสภาวะเห็นเห็นได้น้อยอะค่ะร่างกายยังมีอยู่ไหมอยู่ค่ะร่างกายก็เป็นสภาวะนะค่ะมันดูจิตไม่ออกแล้วดูกาย ร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยเห็นไหมร่างกายนั <scène anything. S 2> ่งขยับนิ้วอยู่เห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมจิตเบิกโพรงขึ้นมาแล้วแค่นี้เองง่ายจะตายไปดูจิตไม่ได้ไม่ต้องเป็นเอออยู่ไหนไหนไหนไหนไม่เจอหรอกดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันยิ้ม หัวใจมันเต้นเออหัวใจมันเต้นเต้นหัวใจเต้นเราก็รู้ไปเราเป็นคนดูหัวใจมันเต้นใจเป็นคนดูแค่นั้นนะสังเกมไหมจิตตัวนี้กัตะกี้ไม่เหมือนกันแล้ว้ที่ว่าไม่เป็นนะตอนนี้กลับมาเป็นแล้ง่ า, าอยอตายไหมดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจิตสงบแล้วมันมีแรงไปดูเองเลยไปทําต่อ ขอบคุณค่ะมีอีกไหมหมดแล้วโอ้วันนี้สบายหน่อยหกคนส่งสองคนที่เหลือคงไม่ส่งแล้วนะทำไมไม่ไปดูเอาเองหาดูเอาเองซิจะได้เก่งหลวงพ่อนะไปหาหลวงปู่ดูล น, นะท่านบอกให้ดูจิตดูจิตนะหลวงพ่อยังเคยสงสัยเลยเราเห็นมันทำงานอยู่ตรงนี้ แต่จิตเป็นคนดูอยู่ข้างบนเนี้ยตัวเนี้ยมันทํางานไปนะมันมีแต่ทุกข์นะจิตที่ไหววๆอยู่ตัวนี้มันทุกข์ไอ้คนดูอยู่ตรงเนี้ยงงเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็น่าจะรู้ตัวนี้หลวงปู่ ด, ดูลบอกให้ดูจิตแเราก็ควรจะดูตัวนี้ถ้าไม่หลวงปู่สอนขัดกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อบางทว่าตัวเองต้องไม่เข้าใจอะไรบางอย่างไม่ได้คิดว่าหลวงปู่สอนผิดนะคิดว่าเราไม่เข้าใจ ขยับจะถามหลวงปู่เอาไว้ดูเองก่อนยังไม่ถามจนหลวงปู่มรณภาพไปอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็มรณภาพหลวงปู่สิมมรณภาพครูบาอาจารย์มรณภาพไปเกือบหมดเลยนะเหลือหลวงปู่สุวัติ์อยู่องเดียวก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามรอจะเอาไว้ดูเองเอาอย่างหลวงพ่อมั้งสิเอาไว้ดูเองแล้วถึงจะเก่งนะไม่งั้นเนี่ยได้กันบ้านมา ก็ไปดูคู่มือเฉลยกันบ้านถามติวเตอร์ตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกสังเกตเอาเองแล้วมันถึงจะเก่งนะสังเกตก็ไม่ได้สังเกตคิดโมวๆต้องมีหลักหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่สืบทอดกันมาอย่างหลักของวิปัสสนากรรมฐา น, นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ในเนี้ยประโยคที่หลวงพ่อพูดเนี้ยมันมีอะไรอยู่หรือ ม, มีคําว่าสติตัวหนึ่งนะกับด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือสมาธิอาศัยสติกับสมาธิสัมมาสติกับสัมมาสมาธินี่ทำให้มากนะอริยมรรคจะเกิดสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระจะเกิดงั้นมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะเราจะรู้อย่างที่มันเป็นได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นกลาง ดูไปสบายๆจิตลงไปคิดอย่างเนี้ยกําลังลงไปคิดอยู่ก็ไม่เห็นว่ามากรบในมัสการหลวงพ่อครับก็ได้ปฏิบัติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็ในระยะช่วงหนึ่งแล้วก็ฟังหลวงพ่อสม่ําเสมอทุกวันนะครับก็เวลาปฏิบัติเนี่ยนะครับก็มีคําถามมาถามคือ เริ่มต้นก็จะพยายามทำสมาธิก่อนใ ห, ให้เกิดสมาธิพอจิตมันหยุดไหลได้สมาธิพอสมควรก็เริ่มฝึกเจริญสติตามที่หลวงพ่อสอนนะครับสิ่งที่เจอก็คืออาจจะด้วยว่าปีสองปีหลังอาจจะวิบากจะเยอะนิดนึงก็ดูไปดูวิบากตามที่มันเป็นกิเลส ก, ก็เยอะนิดนึงนะครับก็จะเจอนะครับทีนี้พอพอเราดูตามตามไปเห็นมันหรือบางครั้งจิตก็ไหลออกนอกก็ รู้มันอืพอรู้มันปึ๊บมันก็เริ่มที่จะหยุดไหลเริ่มที่จะนิ่งนะครับแต่ปัญหาที่เกิดเรื่อยๆก็คือมันก็จะมีตัวใหม่มาทันทีไม่ว่าจะเป็นวิบากกิเลสหรือการที่จิตมันไปคิดเป็นช่างคิดเหมือนหลวงพ่อบอกแล้วมันก็วนแบบนี้ครับว น, นนี่เรียกว่าวัฏตะครับกิเลสกรรมตรงที่มันไปคิดให้เป็นกรรมแล้วเป็นมโนกรรมกับวิบาก จะหมุนอย่างนี้นวัฏตะไม่มีวันจบนะเป็นสิบบางทีปฏิบัติครั้งนึงก็เป็นสิบสิบรอบแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับหรือบางทีไม่ได้ปฏิบัติก็เกิดเอออย่างกระบวนการนี้นะครับถูกแล้วนะมันจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เกิดนะครับเแต่ปฏิบัติ<ำ>แล้วเราเห็นทําให้เรารู้สึกว่าจริจรงๆมันเป็นก า, ารฟุ้งซ่านมากกว่าหรือเปล่าตัวนั้นแหละคือปัญญาหลวงพ่อพูธบอกปัญญากับฟุงนะ้งซ่านะครับเส้นกันนิดเดียว ปุ้งซานก็คือจิตมันทํางานแต่เราไม่มีสติปัญญาก็คือจิตมันทํางานแล้วเรามีสติตามรู้ไปนะเพราะงั้นการที่เราเห็นกิเลสกรรมวิบากหมุนจิ้วจิ้วจิวว้อยู่ในใจทั้งวันทั้งคืนนะั่นแหละเราเจริญปัญญาอยู่แต่การเจริญปัญญาแนละ้วเมื่อทําไปถึงจุดหนึ่งแนละ้วมันจะเหนื่อยเราก็ต้องกลับมาทําความสงบไหมนะกลับมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปให้ใจได้พักผ่อน ถ้าดูรวดไปเลยมันจะทุกข์ลวงพ่อเคยดูตัวนี้เห็นมันไหวขึ้นมาครั้งแรกนะก็สนใจมันคืออะไรดูทั้งวันดูทั้งคืนครับแล้วมันไม่หยุดนะไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วไม่ได้ฝึกให้หยุดด้วยก็คือวิธีหยุดวิธีเดียวคือกลับไปสมถะใช่มันไม่ได้วิธีหยุดนีด่คือวิธีเบรกของตัวเองเบรกการดูทาให้เราหยุดการดูตัวนี้ได้ชั่วคราว หลวงพ่อไม่มีปัญหาแนละตัวนี้ปัญหาใหญ่มากๆเลยตอนนั้นน่ะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนแล้ ว, ลวมันทุกข์รู้สึกไหมทุกข์มันทุกข์ครับมันทุกข์สุดๆเลยมันไม่นอนไม่หลับเลยเออนั่นแหละแต่ดูทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเลยเดือนกว่าๆนะไม่รู้จะทําไงแล้วไปถามหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธพยายามแก้ให้เป็นชั่วโมงเลยแก้ไม่ตกนะท่านบอกว่าเป็นธรรมดาการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยิบยับยิบยับเท่านี้แหละ นะท่านพูดอธิบายยังไงไงใจเราไม่หลงก็เรามันเหนื่อยอ่ะเพมันทกุกข์อนะ่ะดูแล้วมันไม่ได้พักผ่อนเลยเครียดทั้งวันทั้งคืนเห็นทั้งวันทั้งคืนในสุดบอกหลวงพ่อพูดว่าให้หลวงพ่อไปเทศเอะท่านมีงานเนี่ยเราจะไปพิจารณาเอนะท่านก็ออไปไปทําเอานะอย่างเงี้ยหลวงพ่อเขียนจดหมายไปถามอาจารยมหาบัวท่านก็ส่งหนังสือทําเตรียมพร้อมมาให้นะมาดูมันก็เหมือนที่หลวงพ่อพุธพู ด, พด การปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเลยแต่ไหวยิบยับนี่แหละแล้วเราก็รู้แล้วนะว่าละเอียดเรายิบยับแต่มันทุกข์เราเกินเนี่ยยังไงจนวันหนึ่งนะมันนึกขึ้นได้วันนี้เหนื่อยเหลือเกินยืดรอรถเมล์ อ, อยู่ข้างถนนวันนี้เหนื่อยเหลือเกินเราจะทำยังไงดีเนะี่ยะเรากลับมาทำสมถะดีกว่าเราไม่ไ ม, ไม่ทิ้งสมถะไปนานละมัวแต่เดินปัญญานะทิ้งสมถะเลย ก็กลับมาหายใจเข้าพุดหายใจออกโทแบบที่ท่านพรอหีสอนนับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพุดออกโทนับสองนะยืนรอรถเมย์อยู่นะั้นนับไปถึงยี่สิบแปดนี่จิตรวมพึบเลยโลกธาตุดับไปโลกธาตุไม่มีเหลือแต่จิตดวงเดียวพอจิตถอยออกมามีกายเนะย็นชําเหมือนลองวิก์ เ, เลยแล้วคราวนี้เราเห็นมันไหวเห็นมันไหวด้วยจิตใจที่สงบสุขนะ มันมีคุณภาพในการเห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินปัญญาเนี่ยมันจะเห็นทุกเดินปัญญาถูกต้องต้องเห็นทุกนะถ้าเดินปัญญาแล้วมีแต่สุขล้วนๆเนี่ยไม่ใช่หรอกทําผิดแ น, น่นอนเพราะจริงๆขันห้าเป็นทุกนี้เราเห็นทุกมากๆเข้าใจมันล้าต้องทําสมถะทําอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ยาวๆสวดได้บทเดียวก็เอาบทเดียวสวดพุโทโธธรมโมสังโฆได้แค่เนี้ยก็เอาแค่เนี้ย สวดไปเรื่อยๆให้จิตมันได้พักพอจิตมันได้พักแล้วเนี่ยเขาย้อนกลับไปดูนะมันจะมีกําลังในการดูนะอยังขณะเนี้ยจิตเกิดปิติรู้ไหมนะจิตมีปิติก็รู้ว่ามันมีปิตินะดูไปไปทําเอานะที่หลวงพ่อต้องสอนเราแล้วก็เจาะจงเรียกโดยที่เราไม่ยกมือนะเพราะรู้ว่าอยากจะยกมืออยากจะถามเรื่องที่ถามเนี่ยสมควรที่จะถามมากๆเลยสําคัญมาก เมื่อนเราเห็นมันไหวไปแล้วก็พอใจมันเหนื่อยก็ทำความสงบไว้พราสวดมนต์ไปสลับกันไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันพอมันจะเห็นจิตในตัวทุกนะแต่นี่ไม่ใช่จิตนะนี่เป็นจิตตสังขารจิตคือคนที่ไปรู้เนี่ยมีอีกขั้นค่อยๆฝึกทีแรกก็จัดการของหยาบก่อนของห่างก่อน ของที่ห่างที่สุดหยาบที่สุดในขันห้างก็คือกายใช่ไหมเป็นของหยาบหยบของดูง่ายหยาบหยาบนจิตมันจะผ่านกายก่อนในขั้นพระนาคาแล้วเสร็จแล้วภาวนาไปเรื่อยมันจะค่อยวางนากายพวกจิตสังขารทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเนี่ยจิตไปเห็นข้าแล้วจิตเป็นกลางตลอดเลยแล้วก็ต่อมาจะเห็นไอ้ตัวจิตที่เป็นกลางที่ทำหน้าที่รู้เนี่ย มันยังตกอยู่ใต้ใจลักอีกจริงเราเห็นตัวผู้รู้ตกอยู่ใต้ใจลักแต่ต้องเป็นลําดับไปนะถึงตอนเนี้ไปดูตัวผู้รู้เป็นใจลักไม่ได้นะสับสนหมดเลยคลยๆขึ้นบันไดทีเดียวยี่สิบขั้นต้อาตกกระไดตายแต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะจิตขณะนี้ผิดจิตขณะเนี้ข่มจิตให้นิ่งบังคับจิตรู้สึกไหมเออปล่อยมันซะ ปล่อยให้มันทำงานไม่คิดจะบวชบ้างหรือจริงพึ่งพึ่งบวชเมื่อต้นปีครับเนะไปผัดพออนาต่อใครจำเป็นอีกกราบนมันส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่งส่งครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยมามนะคะ เคยฟังหลวงพ่อมาสองตั้งแต่สองปีแล้วค่ะแต่ปฏิบัติจริงๆนี่ก็ประมาณแปเดือนนะคะปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยหนูใช้เวลาวิธีก็คือนับพุทโธอืขานับนับมาติดต่อกันหลายเดือนจนตอนเนี้ยพุทโธนับเองอแต่หนูดูไม่ทันมาดูทันอีกทีมาประมาณสามสิบแล้วเนะะี้ยค่ะก็จะใช้วิธีนี้ส่วนปฏิบัติในรูปแบบก็ใช้วิธีนั่งที่เราเพุทโธนะเพื่อให้มีสติเราไม่ได้พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะ เงินพุโทโธพุธโทโธแล้วมันหลงไปเงี้ยมันนับไม่ถูกแล้วให้คอยรู้ทันสังเกตไหมตอนที่ไม่ได้นับเนี่ยเพราะมันไปคิดเรื่องอื่นใ ช, ใช่ไหมงั้นเวลาพุโทโธเนี่ยนะพุโทโธไปจะนับไม่นับไม่สาคัญหรอกพุโทโธไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดจุดสำคัญคือการฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้ทันจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดงั้นพุโทโธไม่ใช่เพื่อสงบ แต่พุโทโธเพื่อจะได้รู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดเพราะเวลามันไหลไปคิดมันจะลืมพุโทโธนะงั้นหนูพยายามฝึกตัวนี้ให้มากต่อไปพอจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้นะศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นครบเลยนะไปฝึกไปขอบพระคุณจิตออกนอกหลงไปคิดแล้วน้ต ของโน้มหลงอยู่แล้วล่ะ ห, หลวงพ่อบอกคนนู้นกลับมาบัลังก์งพ่อหน่อนะคะรู้มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะออก็คือว่านูสังเกตหรือเปล่าว่าจิตเราตอนนี้กับตะก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมดูออกค่ะนั่นแหละเราเริ่มพัฒนาแล้วน ะ, ะต่อไปเราก็เห็นเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันของถูกดูกมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกความรู้สึกทั้งหลายก็ถูกดูดูออกไหมดูออกค่ะนี่แหละไปฝึกเรื่อยๆ ฝึกฝึกแต่ดูใช่ไหมคะฝึกลุ้ไปเรื่อยแล้วแล้วหนูอยากถามอีกนรืหนึ่งก็คือตอนนั่งสมาธิเนี่ยตอนที่เรามีสมาธิมากๆนะคะเออมันจะนิ่งแล้วก็เหมือนตัวหายไปเอแล้วก็จะมีแสงอือย่าตามแสงไปนะฮะก็คือดูเฉยเฉยใช่ไหมคะดูใจของเราเช่นใจเราสงสัยว่าจะทําไงกับแสงรู้ว่าใจสงสัยนะเอาใจเป็นหลักไม่เอาแสงเป็นหลัก กรรมฐานทั้งหลายนะถ้าเอาตัวอารมณ์เป็นหลักเนี่ยจะได้สมถะถ้าเอาจิตเป็นหลักแล้วจะได้ความตั้งมั่นจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น<ด>ถ้าเอาอารมณ์เป็นหลัก จ, จะไ ด, ได้สบายเฉยๆก็คือ ด, ด, ดูดูที่จิตของเราว่าว่าเป็นยังไงตรงนั้นคือจิตสงสัยและจิตอยากดูว่าจิตของเราเป็นยังไงรู้ว่าอยากเลยนะต้องให้ความรู้สึกมันเกิดนะแล้วค่อยรู้เอา อ, อย่าไปทเที่ยวหานะ คหาไม่เจอหรอกคขอบพระคุณค <ขอ S 2> ่ะหลวงพ่อจิตไม่เข้าฐานนะจิตเจ้าไปข้างนอกหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าดึงจิตด้วยนะหายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆจิตจะได้เข้าบ้านรู้สึกเปล่าจิตไปอยู่ข้างนอกมีบ้างให้เข้าบ้านนะนี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้านี้ กลันบนมัน ส, ก, ก, าส ก, การนมสการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้มีเรื่องจะขอมีความเมตตาเรียนถามหลวงพอ่อเรื่องเอ่อเนื่องจากว่าตั้งใจในชีวิตไว้ว่าถ้าปฏิบัติได้ได้ผลดีแล้วเนี่ยจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัตินะคะยิงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วก็เลยกลัวว่าท่านอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็เลยจะต้องขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ응หลวงพ่อยังสอนแม่หลวงพ่อไม่ได้เลยห น, หนูไปถามคุณแม่ชี คุณแม่ชีสอนคุณแม่จนเข้าใจธรรมะเลยนะเ อ, อขออีกข้อหนึ่งออด้นะะได้พอดีได้มีโอกาสจะได้เดินทางไปสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าอะค่ะคนนี้ก็อยากจะได้คําแนะนําว่าในกรณีที่เราอยากจะได้รับกระแสธรรมจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกเนี่ย เ, ออเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรมีสติไว้ถ้าเราขาดสติตัวเดียวนะใจก็จะฟุ้งไป พอมีสติรู้ทันใจที่เผลอไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นขอทานวิ่งมาห้าร้อยคนร้อมๆกันนะใจเราหวัน่นไหวไงรู้เลยใจก็อยู่วิ่งออกไปนะแล้วเราคอยรู้ทันรู้ทันใจของตัวเองไปนะพอใจของเราสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยใจที่มีสมาธิเนี่ยจะเป็นที่รองรับธรรมะนอย่างเวลาหลวงพ่อสอนเนะี่ยหลวงพ่อถึงเข้มงวดแม้เราโม่บางคนเอามือถือมาโทรอะไรเงี้ยมันรับธรรมะไม่ได้ ใจต้องสงบใจต้องสำรวมแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดนะคอยรู้ทันใจเวลามันหนีใจหนีเรารู้หนีแเรารู้ฝึกบ่อยๆแล้วสมาธิจะเกิด mm hmm. เวลาเราไปอยู่ที่สังเวชนิสยสถาน mm hmm. เราก็ไปแบบลูกพระพุทธเจ้านะมีสติรูกรร้กายรู้ใจไปเรา่าไปอย่างลูกเทวทัศนะ ลูกเทวทั์คือไปเฉพาะคุณขอกระแสธรรมขอให้โน่นขอให้นี่ขอให้นั่นนะอ้นี่ไปแบบเทวทัตแบบชูโชก ข, ขอแลนเหมนไปด้วยความมีสติด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปเราจะได้ของดีกราบพระพคุณค่ะเมื่อก่อนนี้ได้ยินชื่อสังเวชนิยสถานนะอนิยสังเวชอนิยสถานที่จริงก็คือไป ไปแล้วมันได้กำลังใจเรามาแปลแบบคนไทยเราไปอินเดียล้วเราสังเวชมากเลยดีอะไรให้สังเวชเยอะเลยน่าสงสารมีคนลำบากเยอะ <S <S 1> <S 1> เราก็เคยเป็นแบบนั้นนะเราก็เคยอยู่อย่างนั้นนี่เราตามศาสนาพุทธมาอยู่ตรงนี้น <S 1> <S 1> <S ครูบาอาจารย์ท่านบอกหลายสิบปีมานะ้ท่านบอกว่า เมื่อก่อนพวกเราก็อยู่อินเดียกันแล้วก็ธรรมะอยู่ที่โน่นเราก็อยู่เ่อธรรมะย้ายมาอยู่ทางนี้เราก็ย้ายมาอยู่ทางนี้ต่อไปธรรมะก็จะไปที่อื่นเราก็ไปนิพพานกัน <c oughs> นิพพาน่จริงท่านพูดเยอะกว่านี้แต่ว่าฟังแล้วสแสลงใจคือท่านบอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้หรอก เราต้องนิพพานแล้ ว, ลวเพราะเวลานี้ในบ้านเมืองนี้คาว่าเวลานี้นะเมื่อสามสิบปีก่อนนะเพราะเวลานี้สัตว์นรกขึ้นมาเกิดนับจำนวนไม่ท้วนเป็นช่วงเวลาที่สัตว์นรกขึ้นมามันก็เป็นบ้านเมืองที่โน้มไปทางนรกนั่นแหละเร่าร้อนมีแต่ความทุกขนะ์เบียดเบียนเต็มไปหมดเพราะภูมิจิตของคนเป็นอย่างนั้นนะ ภูมิจิตภูมิธรรเป็นอย่างนั้นมันก็สร้างภพที่พอเหาะพอควรกับภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมางั้นเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราเราสลดสังเวชไม่ต้องไปอินเดียแลนะ้วสลดสังเวชหนีดีกว่านิพพานตามครูบาอาจารย์ไปที่จริงสังเวชไม่ได้แปลว่าสลดสังเวชนะมันเป็นศัพท์เฉพาะนะ อะใครก็ได้ช่วยยกแทนแม่ชีทีแม่ชีอายุมากแล้วยกไม่ไหวอ่อน้อมน้อมนะมัจกาตมั่งพ่อ่าเป็นทุกมาเลงชิบกว่าปีแล้วมีิตรทุกอืมิตรหนักมิตรแน่มิตรดันเดี๋ยวนี้ก็ย่องย้อนยึกยึกว่าจักรวามันหัวใจมันย้อนอัตมันจรวมันมันรวมกัน จะทุกอืมที่จริงมันก็มีแต่ทุกนั่นแหละนะแต่ว่าใจเราไม่เกี่ยวนะใจเราเป็นคนดูเออเราดูกายมันทุกดูใจมันทุกใจเราเป็นคนดูเราไม่ทุกด้วยนะไม่ทุกข์แต่ว่าทุกข์มากๆออกไปทํางานเออปวดต้องปะอาบนั่นแหละปกวดตาดสะคอนคลไปเออขานั่งเอาถือถือให้คุณยายหน่อยไปถือให้แม่ขาว ไม่ขาไม่ต้องถือไม่มีคนถือให้อ้าว่าไปทุกข์มากหาที่พึ่งไม่ได้เลถึงดมาหาลูกจึงมาหาหลวงพ่อจีโยนไข่งไงนั่นแหละเห็นความจริงมันเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแน่นอึดเออเวลาเราดูไปนะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ใจเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูโอ้กายทุกข์ใจทุกข์ ใจก็เป็นแค่คนรู้รู้ไปรู้ไปเหนื่อยแล้วทําไม่ไหวไปกวาดตากหางานทําเอำลืมปฏิบัติไปพอลืมปฏิบัติป้าใจมันคลายทํางานมากๆากน็เหนื่อยโอ้มันก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมร่างกายก็ทุกข์เนาะใจอยู่เฉยๆใจก็ปรุงใจก็ทุกข์อีกอย่างนะในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ นั่นแหละดูไปดูจนใจมันเข็ดไม่อยากเกิดอีกไม่อยากเกิดนะโอ้ไม่ใชียังอยากเกิดอยู่ไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดแต่ว่ามันมันอยากเกิดอ่กกกไมยาเิ้อตรงที่ไม่อยากเกิดนะมันเกิดแล้วมันเกิดให้คนที่ไม่อยากะนะไปดูตาภาวนาดีโอ้โมวนเนะ ทำแต่กินกับมัน่างกินมากเท่าไหรปฏิบัติทั้งวันทั้งมันทำงานอยู่ตลอดโอ้วถ้าใจเราฟุ้งซ่านให้รัวฟุ้งซ่านมันจะดีจิตยังไงน้ะกูกินอยู่เหาหลวงพ่อเห็นไหมใจมันคล่ำครวนมันจะมาอ้อนหลวงพ่อเห็นไหม ให้หลวงพ่อช่วยเ น, ะนาะให้ดูเลยเนี่ยใจมันจะมาอ้อนหลวงพ่อแล้วจะมาให้หลวงพ่อช่วยรู้ทันใจตัวเองนะรู้ทันใจตัวเองไปนสุดยอดกรรมฐานใจสุข ก, ก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ทุกที่แรกเนี่ยทุกข์จนหาที่พึ่งไม่ได้ทํางังไงหมอไม่มีที่พึ่งหรอไม่มีที่พึ่งเลยเออมันทุกข์ทุกข์จนพ่อแท้มันทุกข์จนวางอะ มันต้องทุกจนวางนะตอนนี้มันไม่ปล่อยมันยังไม่ปล่อยเพราะมันยังทุกไม่พออ้าวคนต่อไปหนูแห่ยที่ถือเป็นครูสนที่ได้ถือไม้ให้แม่ชีกลับมาจัดการหลวงพ่อค่ะยังติดเพ่งอยู่ค่ะหลวงพ่อติดเพ่งก็รู้สิทำไมเพ่งรู้ไหมเราเพ่งเพราะเราอยากนึกออกไหมนั่นแหละไปรู้ทานใจที่อยาก เหตุต้องละผลต้องละใช้การเพ่งแล้วอึดอัดนี่เป็นผลแล้วนะการเพ่งเป็นการกระทำความอึดอัดเป็นผลนะเกิดจากเหตุคืออยากอยากดีถ้าละละที่เหตนะุละที่ความอยากเ อ, อยังหนีทุกข์อยู่หรือเปล่าคะื อ, อยังหนีทุกข์อยู่หรือเปล่าคะหนีเกลียดมากๆด้วยหลวงพ่อ ค, คิดหวงนี่คือหนีทุกข์ใช่ไหมคะอะไรนะ การคิดบวกใช่คือวิธ like. mm. ีหนีทุกการคิดบวกเห็นไหมมันก็คือการหลอกจิตคิดอย่างนั้นนะคะทีนี้เราจะเลิกคิดบวกหรอคะหรือว่าไม่ต้องคิดบวกไปก็รู้เอานะว่าตอนนี้คิดบวกลงพ่อเข้าเวลาปัญหามันเกิดค่ามันเจ็บไปทั้งตัวเลยค่ะอืมดีแล้วล่ะมันจะได้เข็มก็แค่ให้รู้ไปใช่ไหมแค่รู้ไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ที่ใจ ใจมันจะมีปฏิกิริยาตอบอารมณ์ที่มากระทบอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอะไรเนี่ยรู้ทันเข้าไป ใ, ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางได้แค่นี้แหละที่เหลือไปถามผู้<อ>ช่ว ย, อยสอนเอานะยังมีเยอะเลย